อย่าขัดคอความคิดเราจะได้ของดีธรรมชาติของสมาธิเวลาจิตดิ่งลงไปแล้วมันเกิดความรู้ความคิดอะไรที่เรียกว่ามันฟุ้งซ่านนั่นแหละที่เราเข้าใจว่าฟุ้งซ่านนั่นแหละในตอนนั้นสัญญาเจตนาที่จะไปควบคุมจิตมันหายไปหมดยังเหลือแต่ความเป็นเองโดยอัตโนมัติ หากเรายังมีความรู้สึกที่จะควบคุมจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่นี่อันนี้มันยังไม่ใช่สมาธิตามธรรมชาติของสมาธิเป็นแต่เพียงว่าเราสามารถควบคุมจิตเราได้เท่านั้นและถ้าจะถือว่าสงบก็เป็นแค่เพียงความสงบเท่านั้นไม่ใช่สมาธิตามธรรมชาติทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิตามธรรมชาติแล้ว เขาจะไปทางฌานสมาบัติเขาไปเองเขาจะไปทางวิปัสนาเขาจะปฏิวัติตัวไปเองบางทีคล้ายๆกับว่าเวลาเขานึกสนุกมาเขาจะเล่นฌานสมาบัติพอสงบลงไปเขาจะดิ่งดิ่งดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายเลยแต่บางครั้งพอสงบลงนิดหน่อยความคิดมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งขึ้นมาที่เราเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านั่นแหละ ตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจอะไรที่จะให้ความคิดมันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาเองอันนี้เรียกว่าสมาธิที่เป็นเองตามกฎธรรมชาติของสมาธิส่วนใหญ่เราจะได้รับคำสอนมาว่าเมื่อมันส่งไปก็ให้ดึงกลับยกตัวอย่างเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ พอจิตทิ้งพุโทโธพับพอรู้ตัวไปนึกถึงพุโทโธอีกมันก็เริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยความฟุ้งนั่นแหละแสดงว่าจิตมีพลังงานขอให้สังเกตดูว่าพอเกิดความคิดปับ๊บเรากำหนดรู้ถ้าเขาหยุดคิดแสดงว่าพลังงานยังไม่เพียงพอแต่พอคิดแล้วเรากำหนดรู้เขาไม่ยอมหยุดจะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด อันนี้เรียกว่าจิตมีพลังงานตามมันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไปถึงจุดหนึ่งเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าความคิดเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติตามกฎธรรมชาติเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นมากขึ้นบางทีเขาคิดไปปรุงไปคิดไปปรุงไป ถ้าเราไม่ขัดคอเขาเราจะรู้สึกว่าเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับความคิดว่ากันง่ายๆอย่างเนี้ยพอไปถึงจุดหนึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งเพลิดเพลินยิ่งคิดก็ยิ่งกายเบาจิตเบายิ่งคิดกายสงบจิตสงบคือมันสงบจากความเดือดร้อนความทุกเวทนาอะไรต่างๆแล้วจิตก็ไปจ่ออยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียว พอไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตดวงนี้จะหยุดนิ่งพับลงไปนิ่งลงไปแล้วสว่างสวยัยจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้ความคิดกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอจิตดวงนี้นิ่งพับลงไปสว่างสวยัยเด่นแล้วเราจะรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงความสว่างของจิตมันจะตกไปตกไป เหมือนกับว่าสิ่งที่เรารู้อารมณ์นี่มันก็เป็นอันหนึง่งจิตก็เป็นอันหนึง่งไม่ได้สัมพันธ์กันมันแยกกันโดยเด็ดขาดแต่จิตสว่างสวยัยเป็นอิสระเที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาในจุดนี้แหละถ้าได้อ่านหนังสือมุตโตไทยหลวงปู่มั่นท่านว่าถีติภูตังถีติจิตตั้งมั่น นิ่งเด่นผูตังคือสภาวะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์จิตมันมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้มันเป็นภาษาที่หลวงปู่มั่นท่านรู้ขึ้นมาในจิตของท่านว่าถีติผูตังพอจิตของท่านเป็นอย่างนี้ที่แรกจิตของท่านก็นิ่งรู้อยู่เฉยเฉยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอจิตไว้ตัวจากสมาธิพับสิ่งนั้นมันหายไปปุ๊บความรู้ของท่านก็เกิดขึ้นมาว่าถีติภูตังแล้วจิตก็ออกจากสมาธิแต่ในขณะที่รู้เห็นอยู่นั้นจิตได้แต่เฉยอย่างเดียวแต่ว่าสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดพอจะรู้เป็นภาษามนุษย์ขึ้นมา จิตไหวตัวออกจากสมาธินิดหน่อยออกเสียก่อนออกแล้วมาสัมพันธ์กับร่างกายพับ พ, พอรู้ว่ามีกายนิดหน่อยถีติภูตังแล้วท่านนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิเลยอันนี้แหละคือจุดสุดยอดของการรู้เห็นธรรมอยู่ที่ตรงนี้เห็นการเกิดดับโดยชัดเจน